บุคคลโสดาบันตามนยะพุทธพท์ข้องอคุณสมบัติและข้อปฏิบัติก่อนเป็นโสดาบันพึงสังเกตความหมายของศ ร, รัท ธ, ธาศีลจาคะปัญญาระดับนี้เทียบกับในตอนที่ว่าด้วยพระโสดาบันโดยตรงที่ผ่านมาแล้วในนันทิยสูตรสั่งยุตินิกายมหาวารวัก พระพุทธเจ้าตรัส บ, บอกกับเจ้าสากยะพระนามว่านัญนิยะว่าผู้ใดไม่มีโสตาปฏิยังฆะสี่ประการคือไม่ศรัทธาในาพระรัตนตรยัยและไม่มีศีลที่อริยชนชื่นชมหรือยอมรับเลยโดยประการทั้งปวงผู้นั้นเราเรียกว่ายังเป็นคนนอกอยู่ข้างฝ่ายปุถุชนในมหานามสูตร คำภีเดียวกันนี้พระเจ้ามหานามสากยาราชเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่นิครูทารามทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงไรบุคคลจึงจะชื่อว่าเป็นอุบาสกพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเพราะการที่บุคคลเป็นพูดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรระถึงพระธรรมเป็นสรระถึงพระสงฆ์เป็นสรระด้วยเหตุเพียงนี้แล บุคคลชื่อว่าเป็นอุบาสกพระเจ้ามหานามะทูลถามว่าพระองค์ผู้จเจริญด้วยเหตุเพียงไรอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเพราะการที่อุบาสกเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาทจากอธินาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาตจากสุราเมระยะมชชะปมาตฐาน ด้วยเหตุเพียงนี้แลอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลพระเจ้ามหานามาทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงไรอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าในข้อนี้อุบาสกเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อโพธิ คือปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่าด้วยเหตุผลดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีส่งรู้แจ้งโลกเป็นนักฝึกคนที่ยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวะและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วเป็นพระผู้ทรงพระเจริญ ด้วยเหตุเพียงแค่นี้อุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาพระเจ้ามหานามะทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงไรอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าในข้อนี้อุบาสกอยู่ครองเรือด้วยใจปราศจากมนทินคือความหงแหน มีจาระอย่างเปิดใจมือสะอาดยินดีในการสละใส่ใจในคำร้องขอยินดีในการให้การแบ่งปันด้วยเหตุเพียงนี้แหลอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาระคพระเจ้ามหานามะธูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงไรอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าในข้อนี้อุบาสกเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่ยังถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปอันเป็นอริยะทะลวงกิเลสได้หรือเจาะสัตวธรรมได้อันให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบด้วยเหตุเพียงนี้แลอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา เขานำความหมายของสัทธานุสารีและธรรมานุสารีซึ่งเป็นรองจากพระโสดาบันมาแสดงอีกครั้งหนึ่งพระพุทธพจน์ในจักกุศรที่หนึ่งถึงขันธ์โสที่สิบสั่งยุตินิกายขันธวารวักมีสรุปดังนี้ภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจ อารมณ์หวิญญาณหกผัสสะหกเวทนาหกสัญญาหกเจตนาหกตัณหาหกธาตุหขันห้าไม่เทียงเป็นของปรนแปร ى. กลายเป็นอย่างอื่นได้ผู้ใดเชื่อน้อมใจดิ่งต่อธรรมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เรียกว่าเป็นสัทธานุสารีสำหรับผู้ใดทำเหล่านี้ ทนการเพ่งพิสูจน์ด้วยปัญญาอย่างนี้บ้างพอประมาณผู้นี้เรียกว่าเป็นธรรมานุสารีหมายเหตุเชิงอัดแต่ในสังยุตติกายมหาวารวัตมุตุตวัตที่สองพระสูตรที่สองถึงพระสูตรที่8ของวรรนี้ทรงแสดงความหมายของพระอริยบุคคลระดับต่างๆในแง่ของอินสี่ห้าคือ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาตามนัยนั้นผู้ที่มีอินทรีย์ห้าอ่อนกว่าพระโสดาบันเป็นธรรมานุสาวรีผู้ที่มีอิอนท ร, ร, รีย์ห้าอ่อนลงไปกว่านั้นอีกเป็นสัทธานุสาวรีส่วนผู้ที่ไม่มีอินทรีย์ห้าเลยโดยประการทั้งปวงท่านจัดเป็นคนนอกอยู่ข้างฝ่ายปุถุชนตอนนี้ไป จะแสดงโสดาปติยังคสีที่ต่างออกไปอีกหมวดหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของผู้ที่เป็นโสดาบันแล้วอย่างหมวดก่อนๆแต่เป็นองค์ปฏิบัติที่จะทําให้เป็นโสดาบันหรือข้อปฏิบัติที่นําไปสู่ความเป็นโสดาบันในสารีปุตโรที่สองสังยุตติกายมหาวารวัคพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามท่านภาษารบีบยบว่า สารีบุตรพูดกันว่าโสตาปติยังคะโสตาปฏิยังคะหรือองคุณเครื่องบรรลุโสดาโสตาปฏิยังคะเป็นไนพภาษารีบุตรกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญสัปปุริสังเสวะการเสวนาสัตบุุษเป็นโสตาปติยังคะหนึ่งสัตธรรมสวณนะ การฟังธรรมของสัตว์บุรุษเป็นโสตาปัฏิยังคะหนึ่งโยนิสโสมนั ส, สิการการคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธีเป็นโสตาปัฏิยังคะหนึ่งธรรมานุธรรมปฏิบัติการปฏิบัติธรรมหลักย่อยคล้อยแก่หลักใหญ่เป็นโสตาปัฏิยังคะหนึ่งในโสตาปัฏิยังคสูตรและในผลสูตรที่หนึ่งคำพีเดียวกัน พระองค์ตรัสว่าพิสุท์ทั้งหลายโสตาปัฏิยังฆะสี่ประการเหล่านี้กล่าวคือการเสวนาสัตว์บรุษการฟังธรรมของสัตว์บรุษการคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธีการปฏิบัติธรรมหลักย่อยคล้อยแก่หลักใหญ่ภิษุท์ทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้จเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อการประจักษ์แจ้งโสดาปฏิพลความจริงทำหมดนี้มิใช่จะเป็นไปเพื่อโสดาปฏิพลเท่านั้นแต่อานวยผลเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางปัญญาทุกระดับจนถึงการบรรลุอรหัตผลจึงอาจเรียกชื่ออื่นๆได้อีกหลายอย่างแต่ท่านเน้นสำหรับการปฏิบัติขั้นนี้จึงมีชื่อเฉพาะว่าโซตาปฏิยังคะ หมายเหตุเชิงอัดในโสตาปฏิยังคะสีนั้นทรสามข้อแรกก็คือปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญเสวนาสัตบรุษเท่ากับกัลยาณมิตรตาฟังธรรมของสัตบรุษเท่ากับประโตโขสะฝ่ายดีส่วนธรรมานุธรรมมาปฏิบัตินั้นหมายถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการตามความมุ่งหมาย คือหลักย่อยคล้อยตามหลักใหญ่หลักเบื้องต้นเอื้อแก่หรือเป็นไปเพื่อหลักเบื้องปลายเช่นปฏิบัติศีลถูกหลักเป็นไปเพื่อการมรรลุมรรคผลนิพพานมิใช่ปฏิบัติโดยงมงายไร้หลักการหรือทำให้เขวไปด้วยตัณหาและทิฏฐิคำภีจุลนิเทศแสดงตัวอย่างทำหรือทำหลักใหญ่เช่นสติปัฏฐานสี่ มักมีองค์8เป็นต้นคือโพธิปักจียธรรม37นั่นเองและอนุธรรมหรือธรรมหลักย่อยเช่นการบำเพ็ญศีลการสำรวมอินทรีย์การรู้ประมาณในอาหารชาคริยานโยและสติสัมรชัญญาเป็นต้นพึงปฏิบัติธรรมหลักย่อยเช่นศีลและการสำรวมอินทรีย์นี้อย่างมีจุดหมาย ให้สอดคล้องและอุดหนุนแก่ทำหลักใหญ่เช่นสติปัฏฐานสี่เป็นต้นนั้นในบาลีต่อจากนั้นกล่าวว่าทำสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อประจักษ์สกทาคามิผลจนถึงอรหันตผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางปัญญาอีกมากมายหลายอย่างเช่นเพื่อความเจริญงอกงามแห่งปัญญาเพื่อความไพบูรแห่งปัญญาเพื่อความมีปัญญาแหลมคม เพื่อความมีนิเพธทิกะปัญญาคือปัญญาที่จะทำลายกิเลสได้โดยเฉพาะที่ว่าเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามแห่งปัญญานั้นทำให้ได้ชื่อว่าปัญญาวุฒิธรรมด้วยซึ่งภายหลังนิยมเรียกกันสั้นๆเพียงว่าวุฒิสีหรือวุฒธธิธรรมสีในอังคุตระนิกายจาตุกรนิบาทก็แสดงไว้ในแง่ว่าเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาคือเป็นปัญญาวุฒิธรรม และเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ผู้เป็นมนุษย์ซึ่งอาจเรียกง่ายๆว่าผูุการธรรม